สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่สี่สิบสี่เรื่องจงระวังเรื่องการล่วงประเวณีตอนที่ห้าพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่หกข้อที่สามสิบถึงข้อที่สามสิบห้าสุภาษิตบทที่หกข้อสามสิบถึงข้อสามสิบห้าโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้า ถ้าขโมยเข้าลักเพื่อบรรเทาความอยากเมื่อเขาหิวคนก็ดูหมินขโมยนั้นไม่ใช่หรือถ้าจับเขาได้เขาต้องชำระคืนเจ็ดเท่าเขาจะต้องให้สิ่งของทั้งสิ้นในบ้านของเขาชายใดที่ล่วงประเวณีผัวเมียย่อมไม่มีสามัญสำนึกผู้ใดที่กระทำอย่างนั้นก็ทำลายตนเองเขาได้รับบาดแผล และความอับยศ์และจะล้างความขายง่าของตนหาได้ไม่เพราะความริษยาก็ททำให้คนเกลียวกราดในวันที่เขาแก้แค้นเขาจะไม่เพลามือเขาจะไม่รับค่าทำควันใดๆถึงเจ้าจัทวีของกำนันเขาก็ไม่ยอมสงบพี่น้องครับฉบับแปลหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งนั้นก็อ่านแล้วทำให้อาจจะงง ง, งนิดหนึงนะครับ ผมจะขอเอาฉบับแปลอมตะธรรมนะครับในข้อที่30อ่านให้พี่น้องฟังสุภาษิตบทที่6ข้อที่30นะครับผู้คนยังสงสารขโมยที่รักครับเพราะความหิวโหวยพี่น้องครับเวลาที่อ่านท่องผีนะครับบางครั้งอาจจะมีความเข้าใจในบางข้อที่ สงสัยหรืองงนะครับความไม่เข้าใจตรงนี้ถ้าเราอ่านโดยการเปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่ความเข้าใจจะเกิดขึ้นทันทีดีกว่าการที่เราจะไปคิด ม, มโนว่าตรงนี้เป็นงนั้นตรงนั้นเป็นอย่างนี้พอเปลี่ยนเวอร์ชันปุ๊บหายเลยครับเข้าใจครับหรืออาจจะใช้เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนั้นในข้อที่สามสิบบอกว่า people don't despise achieve if he steals food when he is hungry ก็หมายความว่าผู้คนเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยดูถูกครับไม่ดูถูกขโมยที่ลักขโมยเพื่อบันเทาความหิวความอยากนะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพื่อนีตอนนี้บอกว่าคนก็มักจะให้อภัยนะครับถ้าหากว่าคนที่ลักขโมยนั้นเขาลักไปเพื่อ ต้องการประทังความหิวแต่ว่าในทางกลับกันครับการล่วงประเวณีนั้นไม่ใช่เป็นแบบคนที่หิวและรักขโมยพี่น้องครับคนที่หิวความต้องการทางเพศแล้วทำการขโมยภรรยาคนอื่นมาเป็นภรรยาของตัวอันนี้เป็นเรื่องน่าอายและสังคมหรือเพื่อนบ้านนั้นจะไม่เพลาเือเลยครับเพื่อนเพีร์ตอนนี้กล่าวเปรียบเทียบ การล่วงประเวณีนั้นเป็นเรียกว่าเป็นการปฏิบัติเป็นการปฏิบัติที่สังคมนะครับจะไม่ให้อภัยเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับทุกคนจะดูถูกเหยียดหยาดไม่มีอุปมาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําผิดเรื่องการล่วงประเวณีในผู้ชายที่แต่งงานแล้วและไม่มีข้อแก้ตัวอย่างอื่นนะครับ ในทางกลับกันครับมันเป็นผลผลิตของการขาดการควบคุมตัวเองมันเป็นเรื่องการไม่มีวินยัยไม่มีความยับยั้งชั่งใจพี่น้องครับไม่มีข้ออ้างใดๆนะครับสำหรับผู้ชายที่แต่งงานแล้วแล้วไปล่วงประเวณีหรือผู้หญิงที่แต่งงานแล้วไปล่วงประเวณีเหมือนกันนะครับมันเป็นเรื่องของการไม่มีวินยัยไม่รักษาคามั่นสัญญา ไม่มีความยับยั้งทั่งใจคนที่ไม่ชื่อศัตด์ต่อภรรยาเขาไม่ควรเป็นผู้ปกครองบ้านเรือนของตนและเป็นผู้ปกครองครอบครัวของพระเจ้านั่นคือคิดศักดิ์นั่นเองอันนี้อยู่ในพระธรรมหนึ่งทิโมธีบทที่ห้าข้อที่หกพระคัมภีร์บอกเราว่าการล่วงประเวณีนั้นเป็นเรื่องที่เป็นความบาปใหญ่ครับเป็นเรื่องสาคัญพระคัมภีร์ เปรียบเทียบการล่วงประเวณีนั้นเป็นบาปที่หนักหนาสาหัส ก, กว่าการขโมยเทียบกันแล้วเป็นคนเรื่องเลยครับคนธรรมดาทั่วไปจะไม่ประนามขโมยที่ยากจนและขโมยของกินไปนรับประทานแต่ในทางกลับกันครับสังคมจะประนามคนล่วงประเวณีให้เสียหายการล่วงประเวณีนั้นเป็นเรื่องที่เสียหายมากๆสังคมไม่ยอมรับคำถามก็คือว่าทําไม สมัยนี้สังคมยอมรับกันคำตอบก็คือว่าสมัยนี้สังคมนั้นต่างคนต่างอยู่ครับเราสังเกตดูนะครับในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะครับหมู่บ้านในกรุงเทพนะครับหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยคนที่อยู่ข้างบ้านเราบางครั้งยังไม่รู้จักเขาเลยใช่ไหมครับหรือแค่เห็นหน้ากันทักทายกันเฉยๆแต่ในสังคมโบราณ หรือสังคมต่างจังหวัดในสมัยนี้เราเอางเห็นร่องรอยความดีงามอยู่ความงดงามอยู่ครับเพราะฉะนั้นการที่ใครก็ไปเป็นชู้หรือใครที่ไปเอาภรรยาเพื่อนบ้านมามเขาจะรู้กันทั้งหมู่บ้านและสังคมก็จะประนามพี่น้องครับการขโมยเงินอาจจะได้รับความเห็นใจแต่การล่วงประเวณี และผลลัพธ์ต่างๆนั้นมันแก้ไขไม่ได้ไม่ได้รับการเห็นใจและนำมาซึ่งการเสียเกียรติและจะไม่ได้รับการอภัยในสายพระเนตรของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นครับเป็นความบาปมหหันเป็นความบาปใหญ่พี่น้องครับพระกรัรมพีกำลังสร้างชุมชนของพระเจ้าซึ่งเป็นชุมชนที่ทอชอบธรรมถูกต้องเป็นชุมชนที่บริสุทธิ์ครับเช่นเดียวกันชุมชนของขึสจักรเป็นชุมชนของพระเจ้า เพฉะนั้นชุมชนของคริสจักรนั้นจะต้องเป็นชุมชนที่บริสุทธิ์ที่ถูกต้องจะไม่มีการผิดปัวผิดเมียกันคนที่สังคมของพระองค์ไม่ยอมรับก็คือภาพของผู้ชายที่ไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับภรรยาของเพื่อนบ้านครับในพระมหพีเรียกว่าผู้ชายเล่นชู้ในขณะเดียวกันผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเล่นชู้และนี่เป็นสิ่งที่สังคมของพระเจ้ารังเกียจและรับไม่ได้เลยเพราะอะไรครับเพราะเป็นสังคมของพระเจ้า ดังนั้นนะครับ <c oughs> การปรับเปลี่ยนที่ต้องทํำก็คือว่าหากมีสังคมใดก็าตามที่ยอมรับการกระทําหรือพฤติการเช่นนี้สังคมนั้นนั้นจะต้องกลับใจครับจะต้องยกระดับจริยธรรมของสังคมนั้นๆไม่ว่าจะเป็นชุมชนไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของชุมชนกฎหมายบ้านเมืองหรือหากว่าเกิดขึ้นในครืสอจักรของพระเจ้าต้องต้องเปลี่ยนประเพณีของคริสอจักรนั้น เลยต้องสอนให้เด็กอนุชนทุกคนทั้งชายและหญิงรู้ว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการกระทำที่ขจักไม่ยอมรับสังคมไม่ยอมรับและที่สำคัญก็คือว่าเขาได้ทำผิดต่อตัวเองทำผิดต่อครอบครัวสำคัญที่สุดยิ่งยวดมากเลยก็คือทำผิดต่อพระเจ้าที่เขารักพระเจ้าที่มีพระคุณกับเขาเขายังทำผิดได้พระเจ้าที่สร้างเขาขึ้นมานพระเจ้าที่ยอมสิ้นพระชนแทนเขาบนไม้กั้นเขนเพื่อไถ่บาปเขา พี่น้องครับในพระเจ้ของพระเจ้าบางฉบับนะครับอ่านชัดเจนนะครับที่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะคนที่ทําอย่างนั้นก็ทําลายตนเองผลที่ได้รับก็คือรอยแผลและความอับยศความอับอายขายหน้าตลอดกาลในสิ่งที่เขาจะได้รับจากคนอื่นๆและคู่กรณีคือสามีของคนนั้นนะครับก็คือความรู้สึกหวงแหนโกรธแค้นนะครับความรู้สึก ถึงหวงโกรธแค้นนะครับและการแก้แค้นอย่างไร้ความปราณีสามีของผู้หญิงคนนั้นจะไม่ยอมรับค่าชดใช้ครับไม่ว่าจะชดใช้เขามากขนาดไหนก็ตามถ้าเขารักภรรยาของเขาจริงเขาจะไม่ขายภรรยาของเขาเด็ดขาดโปรดจำไว้ครับว่าเมื่อมีตัณหาเพิ่งรู้ว่ามันเป็นสัญญาณเตือนภัยที่อยู่ข้างหน้าเมื่อเรามีความปรารถนามีความปัญหามีกิเลสเกิดขึ้นมันเป็นสัญญาณเตือนภัยครับ เมื่อไรก็ตามที่เรารู้จักสังเกตตัวเองนะครับสังเกตความต้องการสังเกตความปรารถนาสังเกตความใคร่ของตัวเองเราจะต้องรู้จักควบคุมบังคับตนนะครับและถ้าว่าเราหมกมุ่นเมื่อไหร่ก็ตามเราพบว่าเรากําลังคิดถึงอีกฝ่ายหนึ่งนะครับพูดถึงว่าเรากําลังฝันถึงอีกฝ่ายหนึ่งนั่นแหละครับเรากําลังตกอยู่ในกระบวนการของการนําไปสู่ความบาปและความหายนะ ความปรารถนานั้ น, น, นต้องขอพระเจ้าหยิบยกออกไปกับพี่น้องให้เราทูลขอพระเจ้าเปลี่ยนความปรารถนาในใจของเราแทนที่จะถูกฉุดลงไปในความบาปครับหลายหลายคนอ้างว่าฉันทําอย่างนี้ได้ฉันทำงั้นได้ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนแต่ความจริงนั้นมีคนที่เดือดร้อนเจ็บปวดเสมอโปรดจํานะครับว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังครับชีวิตคู่ที่ดีของเราจะถูกทําลายลงลูกๆจะขาดความรัก เติบโตขึ้นมาในความขัดแยง้งและที่สําคัญคือเรากําลังอยู่นอกกฎเกณฑ์กติกาของพระเจ้าและกิจการตัวเองออกจากความรื่นรมนะครับในสิ่งที่ดีก็คือความรื่นรมทางเทศในความสัมพันธ์ที่ถูกต้องในความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์พระเจ้าช่วยเราทุกท่านในการที่เราจะรักษาความสัมพันธ์นี้ที่เรามีกับภรรยากับคู่สมรสของเราอาเมน